นับปฏิปัตสัมเพตะพระอัฐารสกัว่าด้วยองค์18ของภิกษุที่สง์ไม่พึงระงับปับภาชนียกรรมหมวดที่ 1. ภิกษุทั้งหลายสง์ไม่พึงระงับปับภาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์5คือ 1. ให้อุปสมบท